ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนเสนอตอนที่47ประสบอุบัติเหตุฟ้าหญิงนำผ่านดอกไม้ถวายเยี่ยมและจะตายหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ตายหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโน ได้ให้อวาธทำเอาไว้ว่ า, าธาตุขันเป็นเรื่องของสมมติที่ต้องหมุนไปตามหลักธรรมชาติที่ทำท่านสอนไว้ว่าอนิจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นการมาศึกษาจึงไม่ควรนิ่งนอนใจในขณะที่ควรจะเป็นไปได้โดยการประพฤติปฏิบัติและการศึกษาอบ ร, รมจากครูจากอาจารย์เพราะสินเหล่านี้เคยผิดหวังกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนสาหรับผู้หวังพึ่งทิงครูอาจารย์ เดี๋ยวองนั้นผ่านไปองค์นี้ผ่านไปอยู่เรื่อยๆไม่มีการหยุดยัง้งแม้ตัวของเราเองก็จะต้องผ่านไปเช่นเดียวกันซึ่งไม่มีอะไรจะเหนือกว่ากันไปเลยเมื่อมีโอกาสดังที่ได้ประพฤติปฏิบัติศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์อยู่ก็ควรจะตัดตวงให้พอเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสารคุณเป็นที่คิดเหนี่ยวภายในใจของตนได้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ให้ปล่อยภายนอกโดยหลักธรรมชาติ เพราะความเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการได้เห็นการได้ยินได้ฟังการศึกษาอบรมเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งที่เป็นภัยก็จะหมดไปเพราะทำเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจให้มีความอิ่มพอได้โดยลำดับ็านกระช่งถึงความพอตัวหลวงตามหาบัว เก่ในสัมปันโนหรือเล่าทีว่าประวัติของท่านในขณะที่ท่านประสบอุบัติเหตุเอาไว้อีกว่าในวันที่17มีนาคมปีสกราช2541 เ, เวลา11นาฬิกาลวงตาประสบอุบัติเหตุคนขับรถตู้หักพงมาลายัยหลบรถจักรยานยนต์ที่ขับสวนทางมาจนสีหลักตกถนนสายสว่างแด น, นดินเจริญสินวานนนิวาน่าทเขตอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนคร รถไม่ถึงกับพลิกคว่ำแต่ตกลงไปกระแทกบริเวณที่วางท่อข้างทางอย่างรุนแรงจนทําให้ยางแตกเกือบทุกเส้นองค์ลงตาซึ่งนอนอยู่บนเบาะรถแถวหน้าได้กระแทกเข้ากับคอนโซลที่วางของหลังคนขับจนเป็นเหตุให้องค์ท่านได้รับบาดเจ็บที่หัวหลายขวากระดูกที่ต้นแขนช่วงต่อไหล่ร้าวแต่โชคดีที่องค์ท่านลงไปกองอยู่บนสิ่งของคือกระสอบข้าวสารซึ่งจะนําไปแจกที่อําเภอบ้านแพง เท่ากับว่าประสอบข้าสารกลายเป็นเกราะป้องกันไม่ให้องค์ท่านได้รับอันตรายไปมากกว่านี้ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลสุดอุดรธานีทําการเข้าเฝือกอ่อนไว้หลังจากนั้นหลวงตาได้ขอกลับไปรักษาตัวต่อที่วัดป่าบรรทารโดยมีคณะแพทย์เฝ้าดูแลยอย่างใกล้ชิดและมีเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวจชายแดงกว่า200นายมารักษาความปลอดภัยส่วนพระติดตามที่นั่งบริเวณด้านเบาะหลังกระดูกข้อต่อสันหลังเพื่อน ต่อมาในวันที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2541เวลา 15.00 นนายวิชัยทักษนเสตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วรัยรักอภรราชกุมารีนังทุ่มพั น, พนดอกไม้ถวายเยี่ยมอาการหล้งตามหาบัวที่วัดป่าบันตากแ้มีบรรดาศิทธยอนุสิตที่ทราบข่าวต่างเดินทางตั้งใจมาเยี่ยมอาการเป็นจำนวนมากกว่า 2,000 คนแต่ทางเจ้าหน้าที่ ไม่อนุญาตให้เยี่ยมเพราะต้องการให้หลวงตาพักผ่อนให้เต็มที่พร้อมทั้งได้เขียนข้อความติดไว้ตรงฐานขึ้นสลาการเตรียนว่าหลวงตาอ า, าพพักผ่อนหนึ่งสัปดาห์หลวงตามหาบุตรได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คิดว่าเป็นกรรมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมของคนขี่รถจักรยานยนต์กรรมของคนขับรถหรือแม้แต่ตัวเองก็ไม่เว้นจะไปโทษอะไรใครก็ไม่ได้ทุกคนมีกรรมร่วมกันจึงต้องช่วยเหลือกัน สำหรับอาการบาดเจ็บของอาตมาไม่มากนักเมาก็มาดูแลแล้วไม่น่าเป็นห่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาปลึกที่ใส่ไว้มันหดแน่นทำให้เจ็บมากจึงต้องให้หมอถอดออกก็ไม่มีอาการเจ็บแล้วหมอบอกว่าไม่มีอะไรหนักใจอีกไม่นานก็จะไปรับบาดและเทศนาได้เหมือนเดิมแล้วขอบอกผ่านญาติโยมทุกคนได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเดินทางมาเยี่ยมรอกเที๋ยจะตายเพราะคนแห่มาเยี่ยมมากกว่านี่คือบทธรรม ที่หลวงตามเมตตาสอนศิษย์ทั้งหลายตามสถานการณ์แม้ในยามอาภาษ์เช่นนี้จะไม่ให้ศิษย์หรือผู้ใดได้รู้จักเคารพรักท่านได้อย่างไรหลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าถึงองค์ท่านว่าจะตายหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ตายเอาไว้ว่าวันที่18มีนาคมปีสกราช2541เวลา9นาฬิกา30นาทีเจ้าคุณพระราชเทกา จากคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมอาการอาภาษของลุงตาที่กุติซึ่งมีหมอจีนกําลังประคบไหล่ด้วยยาสมุนไพรหรือที่เรียกว่ายาตั้งมองให้ไหล่ขวาของลุงตามีรอยช้ำเป็นบริเวณกว้างแต่ลุงตายังมีอาการปกติและได้เทศนาโปรดท่านเจ้าคุณราดเมตากรในขณะที่นอนรักษาหล่อยู่ว่านี่ท่านเจ้าคุณผมเป็นมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สแต่ละครั้งหนักทั้งนั้น ครั้งแรกป่วยเป็นไข้เจ็บขัดในหัว อ, อกชาวบ้านตายวันละเจ็ดถึง8ดคนเป็นโรคติดต่อเป็นหนักที่บ้านกระหโหมโพนทองอําเภอบ้านผือติดต่อกับอำเภอท่าบอกมีแม่น้ำทอนเป็นเขียดแดงต้นปีส 93, ิงหา2493นึกว่าจะตายแล้วแต่ก็ยังไม่ตายครั้งที่สองเป็นโรคท้องร่วงทายติดต่อกันถึง25ครั้งอาเกียนอยางบุนแรงสองหนร่างกายตายไปแล้ว 99% เหลือเพียงหนึ่งเปอร์เซก็นึกว่าคงตายแน่แต่ก็อยู่รอดมาได้พอครั้งที่สามคือครั้งนี้ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกรรมและท่านเจ้าคุณนะหลวงตาอธิบายก่อนที่จะกล่าวต่อไปอีกว่าขณะนี้เรากําลังรับบริจาคดอลลาร์ช่วยชาติก็มาเป็นอย่างนี้ขณะนี้ได้รับบริจาคสองแ0 0ดอลลาร์แล้วเพราะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ไปทางทีวีหนังสือพิมพ์คิดว่าคงจะได้เพิ่มขึ้นอีกในเร็วๆนี้ รวมทั้งเงินไทยด้วยได้ ม, มาเท่าไหร่ก็ออกไปช่วยในสิ่งที่เดือดร้อนกันหมดโรงพยาบาลนาทม์ิดอําเภอนาทมจังหวัดนครพนมไม่มียาเพราะไม่มีงบประมาณแม้แต่เงินเดือนหมอพยาบาลเจ้าหน้ า, าที่ก็ไม่ได้รับมา 2- อสเดือนแล้วเราต้องนาเงินที่รับบริจาคไปแจกจ่ายให้เราทําเพื่อโลกล้นล้วนจะป่วยคราวนี้คงไม่นานแล้วนะท่านเจ้าขุณคิดว่าสิ้นเดือนนี้คงหายหรืออีกกี่วันนะท่านเจ้าขุณจึงตอบว่า อีก13วันครับหลวงตาหลวงตาจึงกล่าวต่อไปว่าเออนั่นแหละมันคงหายตอนนั้นลูกศิษย์ได้ช่วยกันรักษาแบบพื้นเมืองคือย่างและตั้งยาสมุนไพรร่วมกับหมอชาวจีนที่มีความชำนาญในการรักษาในที่สุดหลุงตาก็หาย